ผู้ทั้งฟังที่ครบค่ะสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพคะดิฉันสรรณีนาคพงษ์ค่ะนมัสการกับ มีคําสอนของสมเด็จพระสังฆราชที่ฝากเมื่อสิ้นประชชนไปแล้วจํานวนมากและนี่เป็นอีก 1 คําสอนที่เราจะมาสนทนากันในวันนี้นะ ไม่แก่ไม่ตายหน้าที่จะรีบทําความดีค่ะจะดูเลยอัน แต่บอกท่านพระอนนท์เอาไว้ในเกี่ยวกับเรื่องถึงการระลึกถึงความตายนั่นคือมรณสติเนี่ยเอ่อควรระลึกถึง โอ้นี่ดีมากนะพระ 10 คร 20 ครั้งจนถึงทุกลมหายใจเข้าที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้แล้วตอนนั้นเป็นบริษัทอยู่แล้วก็ยังระลึกถึงเรื่องความแก่ความไม่มัวเมาในความหนุ่ม ว่าตัวเองไม่มัวเมาในความหนุ่มไม่มัวเมาในความมีชีวิตเนี่ยก็ดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทน่ะคือจะเป็นตัวที่สําคัญนะให้เราตั้งตนอยู่ในการรักษาศีลนะการที่เอ่อปฏิบัติสมาธิบ้างนะแล้วเราก็ เอ่อเราทุกท่านท่านเนี่ยทุกคนน่ะควรจะระลึกถึงความแก่ด้วยประโยชน์อะไรนะ<ข> น้ำหนักของการให้ความสําคัญขนาดไหนก็ได้ค่ะอ่าเป็นเรื่องที่สอนมาก เวลาเราพูดถึงความแก่ความตายจะอยู่ในหมวดธรรมหมวดนี้คือหมวดของความทุกข์นะจะเรียกว่าสอนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราคิดตาม มันเพลินๆไปกับเรื่องโน้นเรื่องนี้ทําไมจึงเป็นเช่นนั้นกันน่ะอ่าตรงนี้มันไม่มี 2 ทางเลือกเอ่อคือ 1 อันนี้หรือ 2 ทางเลือก 2 ก็มีก็คือว่าเอ่อคนที่ถูกหรือ 2 วิธีนั้นคือสะบัดหาทางออกภายนอกของความทุกข์นี้คือถ้าตัวเราไม่รู้เนี่ยแล้วเราก็จมปลักอยู่ในความทุกข์ นะสัก 1 หรือ 2 วิธีเราไปหาอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าบอกแล้วทําไมพระเจ้าถึงให้มาเอ่อเรียนเรื่องความทุกข์เพื่อที่จะให้เห็นทางออกที่ 2 นี้ นะแต่กลับไปเลือกทางที่ 1 จมปลักอยู่ในความทุกข์ทําสิ่งให้ลงที่ งานนิตินี้พูดง่ายๆก็คือให้คุณปฏิบัติตามมารยาทมักขิยอง 8 เท่านั้นซึ่งมีอยู่ 2, เท<ใช> 2> ประเภทเราเป็นประเภทไหนนะคะส่วนใหญ่ก็ ดาวก็ไม่ค่อยคิดเวลาไปงานศพเนี่ย oh. เป 39 เป็นผู้ป่วยแล้วก็มีลูกๆ2 ขวบมาเห็นแล้วเวทนามากเลยเพราะ 60 เศษบ้าง ถามตัวเองว่าไปเห็นแล้วเราคิดอะไรอืมสบแรกเนี่ยฉันเห็นก็เวทนาว่าเออเขาตายแค่ 39 เองนะ 50 กว่าก็อืมๆอันเนี้ยตรงนี้<ใช> นั่นแกก็ว่าสมมุติเราเห็นแล้วเรารู้สึกเสียใจเสียใจกับ สลот สังเวชเนี่ยไม่เหมือนกันนะบางคนเสียใจแล้วร่ําให้ แต่ว่าเราสร้างกุศลด้วยว่าเราสร้างกุศลด้วยอันนี้คือเค้าที่ 1 แตอืมค่ะศพที่ 2 เลยค่ะ <นะคะ S 1> 2 นี้ก็คือพอเรานะไปสังคมเป็นลักษณะนั้นนะไปแสดงความ นะให้คนเป็นให้เพื่อนๆที่ไปเนี่ยได้รู้ว่าให้ความตายมันมันไม่ได้ไกลนะแล้วเราก็ให้ นั่นคือคำสั่งของพฤชาเนี่ยพูดถึง คุณจะจัดการยังไงเมื่อความตายความแก่นั้นมาถึงแล้วคุณเนี่ยสอนเอาไว้นี่คือการให้ทางออกด้วยซ้ํานะคือ วิธีเหมือนกับถ้าเราบอกว่าทําให้เกิดประโยชน์ในทางธรรมะด้วยเหมือนกับอ่า เราไม่ได้ถูกแทงเดี๋ยวนั้นนะเราถูกแทงมาก่อนหน้านั้นแล้วนะเพราะฉะนั้น นะอวิชชามันจะออกลายก็ต่อเมื่อคุณได้เห็นความจริงเช่นคุณแก่ลงเพื่อนคนที่คุณรักเอ่อตาย<ใช> ระลึกถึงนี่ไม่ใช่ว่าระลึกถึงเพื่อให้ ตลอดชีวิตของพระองค์ท่านเนี่ยนะคะวันนี้ก็ นะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งรู้แล้วก็ขยายความต่อว่าเป็นสิ่งที่ FM 106 ครอบครัวข่าวแห่งนี้